เวลาเรากินอาหารใจเราก็กินด้วยเหมือนกันนะมันกินพร้อมๆกันไปเลยเราจะไม่สังเกตเวลาเรากินอาหารเราก็อยากกินของที่มันสดเช่นผักสดหรือว่าผลไม้จากสวนนะผมไม่อยากกินอะไรที่มันเก่าเก็บหมักหมมนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราก็ได้ แต่ใจเรานี่นะมันได้เสพอาหารที่สดหรือเปล่านะเราเคยสังเกตใจเราไหมบายครั้งเนี่ยใจเรานะไปเสพของเก่าของหมักหมมแล้วเราก็ยินดีนะกับการที่ใจได้เสพอย่างนั้นด้วย ของเก่าของหมักหมมนี่คืออะไรก็คือเรื่องที่มันผ่านไปนานแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานแล้วนะคืออดีตนั่นแหละนะสังเกตไหมเวลาเรากินอาหารใจเราก็ไปเสพรับอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์เก่าๆที่เก่าเก็บค้างปี ที่หมักหมมนะสะสมมาเรื่องราวเหลนะ่านั้นนี่มันไม่ได้ทำให้จิตใจนะมีความสุขเลยนะบ่อยครั้งก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตด้วยนะคิดถึงเรื่องราวที่เศร้าโศกเสียใจที่ทำให้โกรธนะหรือบางครั้งก็ไปเสพอาหารที่มันปรุงแต่งสังเคราะห์ เวลาเรากินอาหารเราคงไม่อยากกินอาหารที่ปรุงแต่งมากนะอาหารที่สังเคราะห์ด้วยสารเคมีอาหารที่มนไม่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนก็เขาก็มีขายอาหารธรรมชาติแล้วก็โชว์ด้วยว่าไม่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารปรุงแต่งนะข้าวที่เป็นข้าวอินทรีย์นะก็ได้รับความนิยมมากขึ้น แพงเท่าไหร่ก็มีคนซื้อนะเพราะว่าเขากลัวเขาเข็ดขยาดพวกสารสังเคราะห์ปรุงแต่งใจใจเรานะมันก็ชอบนะกลับชอบอ า, อาหารสังเคราะห์ปรุงแต่งอาหารสังเคราะห์ปรุงแต่งของใจคืออะไรนะก็คือเรื่องอนาคตที่เราวาดภาพขึ้นมา เราก็ปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีก็ฝันกลางวันว่าจะได้ไปเที่ยวนอนเที่ยวนี้หรือว่าก็ไปสร้างภาพว่าอนาคตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรงานการที่สะสมค้างคามากมายหรือว่านี่สินที่พอกพูนอาการเจ็บป่วยของลูกหลานคนรัก ผลการเรียนของเขาใกล้จะออกมาแล้วนะบางทีก็นึกว่านึกสร้างภาพว่ามันจะออกมาแบบแย่ๆแล้วคนเราในลองที่เรากินเนี่ยนะใจเราก็ไปกินพวกอาหารที่มันปรุงแต่งสังเคราะห์ก็เยอะเหมือนกันนะถ้าเราอยากให้ใจเรามีสุขภาพดีนะ ก็ต้องระวังอย่าไปเสพทั้งอาหารสังเคราะห์ปรุงแต่งแล้วก็อาหารที่หมักหมมนั่นก็หมายถึงเรื่องราวที่มันยังไม่เกิดขึ้นและเราสร้างภาพว่ามันเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายหรือว่าไปเสพ ร, รับเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะให้อาหารใจของเรา เป็นอาหารที่มันสดนะใหม่อาหารสดใหม่ของใจคืออะไรนะก็คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าเราแต่ละขณะแต่ละขณะประสบการณ์สดสดนะที่มันเกิดขึ้นอันนี้แหละคืออาหารที่ดีกว่านะของใจเราอย่าให้ใจไปเสพรับเรื่องราวในอดีต หรือว่าอนาคตเพราะว่ามันไม่ใช่ของสดของใหม่มันเป็นของเก่าหมักหมมหรือว่าเป็นของสังเคราะห์ปรุงแต่งขึ้นมาใารที่เรากินนะอาหารก็อย่ากินแต่ผักสดผลไม้สดอย่างเดียวนะใจของเราก็รับประสบการณ์ที่มันสดด้วยนะก็คือประสบการณ์ที่เป็นปัจจุบันขนะ นะวางความคิดต่างๆลงนะเรื่องราวในอดีตก็วางลงอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าไปกังวลไปคิดถึงมันนะให้ใจเรารับรู้อยู่กับภาษาที่มันเป็นปัจจุบันนี่แหละคืออาหารสดนะนะที่มันดีต่อจิตใจของเรา ประสบการณ์ที่สดใหม่แต่ละขนาแต่ละขนาถ้าใจเราไปรับรู้นะสติเราก็จะงอกงามมากขึ้นนะความรู้สึกตัวก็จะต่อเนื่องนะความรู้สึกตัวนะในขาะที่เรากินอาหารอันนี้มันดีต่อจิตใจของเรามันไม่มีความกังวลมา บีบคั้นจิตใจของเราหลายคนกินไปก็กังวลไปกังวลเรื่องงานการกังวลถึงงานที่ต้องทำ อ, อย่างเช่นเวลาเราไปทำงานเลากลับไปกรุงเทพกลับไปบ้านอาหารเช้าบางคนกินนะใจก็กังวลถึงงานนะที่ทำงานหรือว่าอาหารกลางวันกินไปก็นึกถึงงานตอนบ่ายนะเกิดความเครียดขึ้นมา อาหารไม่ย่อยสุขภาพก็ไม่ดีโรค ก, ก็ถามหาเดี๋ยวนี้ไม่มีโรคแปลกๆเกิดขึ้นเยอะนะเพราะว่าความเครียดนะครที่กินอาหารบางคนก็รู้สึกไม่ใช่แค่โรคกระเพาะอย่างเดียวนะหายใจไม่ทั่วหายใจไม่เต็มอิ่มนะไม่ทั่วท้องนะหรือว่าปวดท้อง พอเริ่มกลับมากินอาหารช้าช้าช้าช้ า, ชามีสติว่การกินถ้าไม่นานโรคนี้ก็หายไปไม่ต้องกินยายาต่างหากที่กินแล้วก็ไม่หายเพราะว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุก็คือความเครียดนะเครียดพอใจมันไปเสพรับอาหารที่เป็นอันตรายก็คือความกังวลนะ พอนึกถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ใหม่ๆสดๆที่เราที่ใจเราได้รับเนี่ยมันมันไม่มีอันตรายต่อจิตใจของเราเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติอยู่กับการกิน อ, อาหารก็กินากายก็กินใจก็กินแล้วก็ กินแต่ของกินสิ่งที่เป็นของดีของสดทั้งกายและใจสุขภาพก็จะดีขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นสิ่งสังเคราะห์ปรุงแต่งนะไม่ใช่กายเท่านั้นที่ดีขึ้นใจก็ดีขึ้นด้วยนะฉั้งการมีสติวกับการกินนะรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ย ถ้ามันเป็นอาหารสดสําหรับจิตใจนะที่จะทุ่ยใจเรางอกงามได้อย่าไปแสวงหาแต่ผักสดหรือว่าผลไม้สดนะหรือว่าข้าวที่มันไม่มีสารปรุงแต่งอย่างเดียวไอ้สิ่งที่เรารับเข้ามาในใจก็ควรให้มันเป็นสิ่งที่สดไม่ใช่เป็นสิ่งที่เก่าเก็บหรือว่าสังเคราะห์ปรุงแต่ง